ลาคิดสร้างปัญหาทำไมขยันคิดแต่เวลาแก้ปัญหาทำไมไม่ขยันแก้เวลาคิดสร้างปัญหาทำไมไม่ปวดหัวแต่เวลาคิดแก้ปัญหาทำไมปวดหัวหลวงพ่อทูลขิ ป, ปะปัญโย มีคำถามคำถามหนึ่งเป็นคำถามที่สําคัญมากฟังดูแล้วนี่มันหาคาตอบได้ง่า ย, ายแต่ว่าจะตอบให้ถูกต้องนั้นเนี่ยมันยากคำถามนั้นก็คือคนเราเนี่ยเกิดมาทำไมท่านผู้ฟังเคยสงสยัยั้มว่าเราเกิดมาทำไมอันนี้เราะมันก็เป็นคำถามที่ท้าทายนะ เร่อรจริงเนี่ยหลายคนตอบได้เกิดมาเพื่อจะมีความสุขเกิดมาเพื่อจะให้ได้แรงใจปรารถนาเกิดมาเพื่อเที่ยวเพื่อเล่นคำตอบมีมากมายแล้วแต่ความเข้าใจของเราแต่มีคำตอบคำตอบหนึ่งตอบแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดความคิดสร้างสารรค์ขึ้นมาคนเราเกิดมาทำไมเราก็เกิดมาเพื่อว่าจะทําตนให้พ้นไปสิจากความทุกเกิดมาเพื่อความไม่มีทุก เี๋ยตอบให้เก๋อย่างนั้นก็ว่าเกิดมาเพื่อที่จะไม่เกิดหรือเกิดมาเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์อันนี้ถือว่าเป็นคำตอบที่ยากที่จะปฏิบัติได้แต่อย่างไรก็ตามอันนั้นก็คือเป้าหมายของการใช้ชีวิตว่าเกิดมาเพื่อทำตในให้พ้นปิจากความทุกข์อันนี้เป็นเป้าหมายซึ่งไม่มีใครต้องการความทุกข์เราต้องการความสุข แต่ถ้าเราเอาความทุกข์ออกจากจิตใจเสียได้เมื่อไหร่แล้วก็เราก็จะมีความสุขเองความสุขอย่างเงี้ยเป็นความสุขที่สงบเย็นเป็นความสุขที่เกิดจากจิตไม่มีกิเลสถือ เ, เป็นความสุขสูงสุดเลยความสุขสูงสุดนั่นก็คือความสุขที่จิตไม่มีกิเลสแต่ถ้าออกว่าเราจะดําเนินชีวิตในแต่ละวันเนี่ยยังมีความทุกข์อยู่ ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเรามีความทุกข์เราก็มีวิธีการออกจากทุกข์ได้เหมือนกันตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างเช่นว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สิ่งนั้นก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกๆคนจะต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาเรามีความป่วยเป็นธรรมดา เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเนี่ยเรามีความตายเป็นธรรมดาเพราะนั้นความเจ็บป่วยหรือความตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติทีนี้ถ้าหากว่าเราเป็นอันจะต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บป่วยทาน้นร่างกายเราจะทำยังไงที่จะทำใจไม่หทุกข์กับความป่วยไข้ทานั้นร่างกายเราจะใช้สติอย่างไรบ้างที่จะเอาชนะความเจ็บไข้ได้ที่มันทุกข์มาก ก็เพราะว่าเกิดความกลัวนั่นเองเมื่อมีความเจ็บไข้ได้ป่วยนะมักจะมีความกลัวความพิโตกกังวลป่วยทั้งกายป่วยทั้งจิตเลยร่างกายเจ็บป่วยยังไม่ เ, เพียงพอนะใจเรา ย, ยังเป็นทุกข์ด้วยจิตใจเราป่วยไปด้วยและไม่มีใครช่วยใครแต่ถ้าเราฝึกเจริญสติอยู่เสมอเสมอสติเนี่ยสามารถช่วยได้ช่วยให้ไม่เกิดความกลัวไม่เกิดความพิโตกกังวลทั้งจิตใจได้แม้ร่างกายจะเจ็บป่วย บางท่านอาจจะนึกในใจว่าโอ้ยไอ้เรื่องความเจ็บป่วยเนี่ยเราไม่กลัวหรอกเรากลัวตายมากกว่าบางคนบอกว่าตายไม่กลัวกลัวเจ็บเพราะก่อนจะตายเนี่ยมันต้องเจ็บก่อนแต่บางท่านเนี่ยยิ่งน่าริงนะตายไม่กลัวเจ็บไม่กลัวกลัวแก่เคยถามว่าเอ้าททำไมไม่กลัวตายทำไมไม่กลัวเจ็บทาไมกลัวแก่โถพพูดถึงเรื่องความแก่เนี่ยมันหมดกาลัง มันหมดเรี่ยวหมดแรงเลยหมดกําลังใจที่จะมีชีวิตอยูย่อันนี้ก็คือทัศนคติแต่ละบุคคลนะจะกลัวแกงจะกลัวเจ็บหรือจะกลัวตายก็สรุปลงที่กลัวทั้งนั้นแหละเราจะแก้ไขจิตใจเราไม่ให้กลัวได้อย่างไรก็ต้อเราต้องเข้าใจซะก่อนว่าความเจ็บป่วยท่าร่างกา ย, ยมันเป็นเรื่องธรรมดาทุกชีวิตเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่พ้นหรอกแม้แต่พระพุทธเจ้าเอง ท่านก็ยังมีอาพาธเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาร่างกายนี่ถ้ามันไม่เจ็บปวดเนี่แสดงว่ามันไม่ใช่ร่างกายมันเป็นท่อนไม้ท่อนเฟื่อนนัะเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดา ท, ที้ถ้าหากว่าเราจะต้องไปเชิญหน้ากับความเจ็บปวดท่าเรื่ร่างกายมีทุกขเวทนาแรงกล้ามีความเจ็บปวดเกิดขึ้นเราจะใช้สติเอาชนะความเจ็บปวดได้อย่างไรเรา เคยฝึกสติอยู่แล้วฝึกจลสติอยู่เสมอๆอยู่แล้ว เ, เมื่อความเจ็บปวดเกิดขึ้นเราต้องตั้งสติให้ได้ก่อนให้รู้เท่าทันในความเจ็บปวดนั้นๆแล้วก็รู้จักความอดทนต้องอดทนสักหน่อยแล้วก็ยอมรับในสภาพที่เรามีเราเป็นอยู่เว่าเราเจ็บปวดแล้วไม่สบายแล้วยอมรับกระบวนการทั้งสามอย่างเนี่ยถือว่าเป็นกระบวนการปฏิบัติธรรมเลยนะตั้งสติเนี่ยถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมนะเนี่ยสติเป็นธรรมะ แล้วก็มีความอดทนความอดทนนี่ก็เป็นคุณธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสได้ปฏิบัติธรรมแล้วได้สติได้ขันติแล้วก็ได้การยอมรับในความเจ็บปวดนั้นถ้าเรารู้จักยอมรับได้เท่ากับเป็นการปล่อยวางเลยนะสิ่งเหล่านี้เป็นการประพฤติธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วเป็นคุณธรรมประจําใจเราแล้ว เสร็จแล้วความเจ็บปวดเนี่ยก็จะลดลงไปแค่เรามีสติมีความอดทนมีการยอมรับทุกทางกายเขาก็จะลดลงไปด้วยยิ่งถ้าเราไม่มีความกลัวเนี่ยเรายิ่งไม่มีปัญหาเลยทุกทางกายไม่มีปัญหาเราจะจิตใจไม่กลัวไม่เกิดความกังวลแต่ถ้าหากว่าเราจะใช้วิธีการสมรถะฝึกสมรถน ะ, ะที่มีความเจ็บปวดทางร่างกายเราก็ทาได้ เราอาจจะใช้ความคิดคิดว่าอ๋อเนี่เจ็บปวดแค่นี้ถ้าเราทนไม่ได้เนี่เจ็บปวดตอนจะตายเนี่ยเราจะทนได้ไหมถ้าเราตายไปความเจ็บปวดเนี่เราต้องตกนรกความเจ็บปวดในนรกนี่นหนักกว่านี้นะนึกถึงปฏิบัตาของพระพุทธเจ้าสมัยที่ท่านบำเพ็ญทุกขละกิริยาท่านมีความทรมานมากนึกถึงคนที่มีทุกขเวทนามากกว่าเรา สิ่งเหล่านี้น่ะมันช่วยทําให้เรามีกําลังใจอย่างน้อยเราก็เป็นน้อยกับเขากันแล้วกันทุกเวทนาเราน้อยกับคนอื่นน้อยกับพพุทธเจ้าพระหานบางรูปนี่กว่าจะบรรลุธรรมได้เนี่ยโอ้เกิดทุกเวทนามากมายพาาระหันที่บรรลุธรรมในปากเสือก็มีนะเราจะได้กําลังใจหรือเราอาศัยคําบริกรรมช่วยเพื่อบรรเทาวความเจ็บปวดอาจจะบริกรรมพุทโธพุทโธเอาจิตใจจดจ่อไว้ที่ลมหายใจ หายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทรหรือบริกรรมว่าปวดเนอปวดเนออาศัยคําบริกรรมเหล่าเนี้คือตอนที่เราจะมาหมกมุ่นอยู่ความเจ็บปวดทน้าร่างกายเราเอาจิตไปฝากไว้คําบริกรรมซะไปเกาะติดอยู่ที่คำบริกรรมมันก็ลืมความเจ็บปวดได้ชั่วขนาดหนึ่งทําให้ใจเราเนี่ยแยกออกไปจากความเจ็บปวดไปทิ้งไว้ที่คาบริกรรมเนี่ยเป็นอารมณ์ของสมถะมันก็ช่วยได้ ย้ายจุดในการกำหนดนะปวดที่กายแล้วก็ไปรู้ที่จิตหรือรู้ที่คำบริกรรมเนี่ยถือว่าเป็นการย้ายจุดของทุกขเวทนาอันนี้เป็นวิธีธรรมะเราก็เอามาใช้ได้เพราะถือว่าทำให้เราผ่อนคลายจากความเจ็บปวดลงได้มีวิธีหนึ่งเนี่ยเป็นวิธีที่ปฏิบัติแล้วสามารถปล่อยวางไปเลยความเจ็บปวดนี่เราต้องปล่อยวางนะปล่อยวางโดยอาศัยการเจริญสติ การฝึกเตระสติเนี่ยสามารถปล่อยวางความเจ็บปวดได้เพียงแต่เรามีสติละเลืกรู้ลงไปในทุกขเวทนาที่เกิดทันใดร่างกายให้รู้เฉยๆอ๋อรู้มันปวดรู้แบบปล่อยวางอยู่หางรู้อยู่ห่างรู้อยู่ห่างอย่าเข้าไปอยู่ในความเจ็บปวดเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูในความเจ็บปวดนั้นสะรู้แบบปล่อยวาง ปล่อยวางอย่างไรปล่อยวางก็คือเราจะไปบังคับอย่าไปขจัดหรือผลักใส่ความเจ็บปวดนั้นๆความเจ็บปวดเขาจะดับหรือไม่ดับเราก็รู้เฉ่เฉยปล่อยให้ความเจ็บปวดนั้นเป็นสีริของเขาแล้วแต่เขาคือตัณใจเป็นกลางกลางให้รู้ว่าอาการเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่เราหรอกเหมือนอย่างเราดูคนที่เขาเจ็บปวดซึ่งไม่ใช่เรา เอาความเจ็บปวดนะั้นเป็นคนอื่นซะแยกเป็นผู้ดูซะดูความเจ็บปวดเหมือนดูผู้อื่นเท่ากับเราจะแยกรูปแยกนามนะแยกจิตออกจากอารมณ์นะเราจะเห็นว่าความเจ็บปวดนั่นก็ส่วนหนึ่งกายก็ส่วนหนึ่งความปรุงแต่งที่เป็นความกลัววิตกกังวล น, นั่นก็ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้นี่ก็ส่วนหนึ่งเราแยกออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตมันจะผ่อนคลาย แล้วก็จะหลุดพ้นออกมาจากความเจ็บปวดได้ทันทีเลยแยกโดยสติตปัชญญะเท่ากับว่าความเจ็บปวดนั้นมันจะไม่ใช่เราแล้วมันเป็นเรื่องของร่างกายแล้วแล้วยิ่งเรามีสติมากๆเนี่ยเราจะเห็นความเจ็บปวดนั้นมันไม่เที่ยงบางทีมันก็มากขึ้นแล้วมันก็ค่อยลดไปอย่างเช่นการปวดฟันใช่ไหมถ้าเราดูความปวดฟันนานๆนะเราเห็นว่าความปวดฟันเนี่ยมันจะปวดมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็รู้แบบดูดูมันปวดมากขึ้นมันเปลี่ยนแปลงแล้ว พอปวดถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะลดต่ำลงไปมันไม่เที่ยงหรอกไอ้ความปวดทั้งหลายถ้าเราตามดูตามรู้เนี่ยมันจะเกิดปัญญาอ๋อจะรู้ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติของเขานะธรรมชาติของกายนะเราไม่สามารถบังคับบัญชามันได้ เ, เพราะฉะนั้นถากว่าเราเกิดความทุกขเวทธนาทัร่างกายเกิดความเจ็บปวดเราลองอาศัยสติระลึกรู้ลงไปแล้วก็อาศัยความอดทน อาศัยการยอมรับรู้ดูแบบหางๆดูแบบปล่อยปล่อยวางๆ ว, วางใจเป็นกลางๆจิตมันก็จะปล่อยวางแล้วก็พ้นออกมาจากความเจ็บปวดนั้นได้เพราะฉะนั้นในตอนเนี้เราอาจจะไม่เกิดทุกขเวทนาแบบนั้นเราก็อย่าประมาทต้องฝึกสติให้มากๆถ้าเราฝึกสติให้มากๆเรา ก, ก็จะสามารถผาเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดทางร่างกายแบบรู้ตัวทั่วพร้อม แล้วก็ปล่อยวางได้ความเจ็บปวดนั้นมันก็จะไม่ทำให้ใจเราเป็นทุกข์ถ้าก็ว่าเราสามารถเอาชนะความเจ็บปวดทังด้านร่างกายด้วยสติ